ที่ทวีปอเมริกาเหนือนะหรือว่าในแดนที่มันเป็นประเทศแคนาดาสาหรัฐ อ, อเมริกาเนี่ยมันมีสัตว์ชนิดหนึ่งนะเรียกว่าวัวใบซันนะรูปร่างก็กึ่งกลางระหว่างวัวกับควาย วัวไบซันนี่เป็นสัตว์ที่มีความสําคัญนะต่อชีวิตของคนอินเดียนแดงมานับหมื่นปีแล้วเพราะว่านอกจากชายอินเดียนแดงนี่จะอาศัยเนื้อของวัวไบซันเป็นอาหารแล้วก็ยังอาศัยหนังอาศัยกระดูกอาศัยเส้นเอ็นเพื่อทำเป็น ที่พักอาศัยเครื่องนุ่งหม่มเครื่องมือรวมทั้งอาวุธด้วยคือทำอรูกดอกหรือว่าธนูเนียวัวใบซันนี่ตัวมันใหญ่มากเลยนะวันนี้คนอินเดียแดงเนี่ยสามารถที่จะล่าหรือสังหารวัวไบซันเนี่ยได้อย่างไรโดยเพราะในสมัยที่ไม่มีปืน เพราะปืนนี่มันมาทีหลังมันมาเพราะกคนผิวขาวก่อนที่คนผิวขาวจะมานี่ชายหนุ่แดงก็มีแต่ธนูนะแล้วก็มีดนะซึ่งไม่ระคายผิวของวัวใบสันนะแต่ว่าชายหนุ่แดงนี้ก็สามารถที่จะสังหารวัวใบซันได้คราวหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ตัวสองตัวนะเป็นร้อยเป็นพันเลยก็ทําได้ยังไงนะ โดยที่ไม่ได้ใช้แม้กระทั่งอาวุธวิธีการก็คือว่าเวลาวัวไบซันเนี่ยมันหากินบริเวณใกล้ๆกับหน้าผานเนี่ยเวลามันหากินนี่มันอยู่เป็นฝูงนะฝูงหนึ่งก็เป็นพันตัวเลยนะอาจจะถึงหมื่นตัวก็ด้มันก็กินหญ้าอยู่นะเพลินเ พ, นเพินเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะคนในแดงเนี่ยก็จะ มีการล้อมมันเอาไว้ซุ่มเงียบแล้วก็ล้อมล้อมฝูงเนี่ยด้านหลังแล้วก็ด้านข้างกาเดียวกันก็ส่งหน่วยกล้าตายนะเอาหนังเนี่ยของวัวใบซันมาห่มคลุมคือปลอมตัวหรือพลางกายเป็นวัวใบสันเนี่ยแอบซุม่มนะไปอยู่ ข้างหน้าวัวใบซันนะคือระหว่างวัวฝูงวัวกับหน้าผาป้อมตัวเป็นพวกเดียวกับมันพอได้จังหวะนี่เขาก็คนที่อยู่ข้างหลังหรือข้างๆเนี่ยก็จะส่งเสียงโห่รอ้องตีเกาะเคาะไม้วัวใบซันตกใจนะก็พอดีเนะี่ยจังหวะนี้นะคนที่ปลอมตัวเป็นวัวใบซันเนี่ย ก็จะเริ่มออกวิ่งนะออกวิ่งเป็นตัวแรกหรือคนแรกเลยนะไอ้นิวยที่มันอยู่ใกล้ๆเนี่พอมันเห็นเพื่อนของมันนะ่ะซึ่งที่จริงมันไม่รู้หรอกนะว่าเป็นคนมันนวดเป็นเพื่อนด้วยกันเห็นเพื่อนมันออกวิ่งเนะี่ยมันก็วิ่งตามไอ้ตัวที่หนึ่งวิ่งตามตัวที่สองก็วิ่งตามสามสี่ห้าก็วิ่งตามหรือสุดท้ายก็วิ่งตามมันทั้งฝูงเลยนะแตกด้วยความแตกตื่น ส่วนคนที่ปลอมตัวเป็นวัวใบสันนี่ก็วิ่งจนกรงทั่งพอใกล้ถึงหน้าผาก็กระโดดลงหน้าผาเลยนะแต่ว่ามีเชือกผูกเอาไว้ล่ะพอโดดลงหน้าผาก็โหนกับเชือกนั่นแหละไม่ได้ตกไปหน้าผาตรงข้ามกับวัวนับพันนับมือเนี่ยมันวิ่งไปที่หน้าผาตามตัวล่อไป เสร็จแล้วในสุดมันก็พอไปถึงหน้าผามก็มันเบรกไม่ทันแล้วมันก็ตกหน้าผานะไอ้ตัวนึงก็วิ่งตามแล้วก็ตกหน้าผาตามไปด้วยก็เรียกว่าตายยกฝูงเลยนะหรือว่าตายเกือบทั้งฝูงเลยนะถึงตอนนี้เนี่ยคนซึ่งรออยู่ก็จัดการเอาเนื้อนะแล่เนื้อเอาหนังเอากระดูกมา ทำอย่างเงี้ยเนะี่ยได้อาหารแล้วก็ได้วัตถุ ด, ดิบนี่นะตลอดทั้งปีเลยนี่เป็นวิธีการนะที่ฉลาดมากนะเพราะว่าธรรมชาติของวัวเนี่ยมันมันชอบทำอะไร ต, ตามกันเรียกว่าสัญชาติยานหมูนะไอตอนที่มันแตกตื่นเพราะมีเสียงกรอกข้อไม้เนี่ย มันไม่สังเกตหรอกนะว่าไอ้คนที่วิ่งเนี่ยมันเป็นมนุษย์ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนของมันนะมันเห็นเขาวิ่งนำไปมันก็วิ่งตามไงสุดท้ายมันก็าตายยกฝูงอันนี้เป็นธรรมชาติของวัวนะที่มันทำอะไรตามๆกันซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยสัญชาติญาณนี่มันก็ไม่ได้มีกับวัวอย่างเดียวนะคนเราก็มีนะ เราก็ได้ข่าวบ่อยๆเนี่ยเวลาดูหนังเกิดไฟไหม้ขึ้นมามีคนตะโกนไฟไหม้แล้วเขาก็ถ้ามีใครสักคนวิ่งวิ่งหนีออกวิ่งเนี่ยคนหนึ่งก็วิ่งตามไปด้วยโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ที่วิ่งไปเนี่ยมันจะพาไปไหนบางทีก็ตายยกหมูเลยนะเพราะว่าทางตันคนที่ไม่วิ่งเนี่ยที่มีสติเนี่ย อาจจะอยู่รอดปลอดภัยก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะเห็นทางที่จะพาตัวเองเนี่ยออกจากอาคารที่กำลังไฟไหม้ได้ไม่ใช่เฉพาะเวลาไฟไหม้เท่านั้นนะนะเวลาเทาหุ้นขายเนี่ยเราสังเกตมหมเนี่ยแมงเมาเนี่ยนะก็บินเข้ากองไฟเนี่ยเพราะว่ามีใครบางคนเนี่ยแกล้งขายหุ้น แลพอกันพอมีหลายคนเนี่ยขายหุ้นคนหนึ่งก็ขายหุ้นตามนะเรียกว่าเทกันไปนเลยหุ้นมันก็ตกนะมันก็กลายเป็นอ่าเป็นโอกาสของคนบางคนที่จะช้อนนะจะช้อนหุ้นเนี่ยซื้อถูกถูกก็เรียกว่าตกเป็นเครื่องมือนะของอ่าผู้มิจฉาชีพซึ่งก็อาศัยสัญชาตญาณหมู่ของผู้คนเนี่ย โดยมีตัวล่อเนีแต่นิยามปกติแม้จะไม่มีความตื่นตกใจเนี่ยคนเราก็ทําตามทำตามตามมาอยู่แล้วนะอย่างวัยรุ่นเนี่ยนะเวลาอยู่กันเป็นแก๊งเนี่ยใครคนหนึ่งทําเนี่ยคนหนึ่งก็ทําตามหรือว่าถ้าหลายคนทําอีกคนก็ทําตามด้วยโดยเพาะสมาชิกใหม่เขายกปูก้ไปตีก็ไปตีกับเขาทัางจริ ง, งไม่ได้รู้จักกับอีกฝ่ายนึงเลย มีวัยรุ่นบางคนนี่เนี่ยนะเห็นเพื่อนเขากระหานชานชัยนะตัวเองก็อยากทําบ้างควา้าปืนมาเจอคนแรกเลยเจอใครก็ไม่รู้ก็ยิงเลยนะั้งทีไม่ได้รู้จักไม่ได้เกียรติชังแต่เพราะว่าคนหนึ่งก็ทาตัวเองก็ทาบ้างก็เลยติดคุกติดตลงังหมดอนาคตไปแต่มันไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นเท่านั้นนะที่ขนองอ่ะบางทีผู้ใหญ่ นะคนทั่วไปนะหรือแมก้กระทั่งผู้ปฏิบัติธรรมนี่บางทีก็ทำอะไรตามๆกันนะโดยพาสมัยนี้เนี่ยนะการแชร์ก็ดีนะการส่งต่อข้อมูลก็ดีนี่แต่นี่ก็ก็ทำตามๆกันนะเห็นเพื่อนแชร์ก็ตัวเองก็แช์บ้างนะเห็นเขาส่งมาเราก็ส่งไปบ้างไปให้คนอื่นต่ออันนี้เรามป็นพฤติกรรมหมูนะ ที่ทํากันโดยที่ไม่ได้อา่านไม่ได้ไต่ตองหรือว่าไอ้ที่แชร์ไปเนี่ยนะมันจริงหรือเปล่าบางทีอ่านอยู่บ้างนะเกิดความตื่นตระหนกตกใจก็เออเร็วๆแชร์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสข้อมูลเกี่ยวกับโควิดนะหรื อ, อไม่ต้องข้อมูลเกี่ยวกับาาศาสนาอื่นเนี่ยนะหรือเกี่ยวกับ การเมืองกลุ่มอื่นเนี่ยก็แชร์แชร์กันไปทำตามตามกันนะอาจจะหวังดีหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเชื่อเชื่อว่าที่เพื่อนเขาแชร์มาให้เรานี่มันคงถูกแต่ว่าโดยที่จจะไม่รู้เลยที่เพื่อนแชร์ไปเนี่ยส่งมาให้เราเนี่ยเขาก็ไม่อ่านเหมือนกันอันนี้ก็เลยเป็นพฤติกรรมหมู่นะมันก็เกิดจากสัญชาตญาณหมู่ที่ทำตามตามกันมันก็เลยทําให้ข่าวหลือนี่แพร่ระบาดไปไกล บางทีก็ถึงกับเกิดความเสียหายเกิดการรุมทำร้ายกันเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันมีการใส่ร้ายป้ายสีนะอันนี้เนี่ยต้องเราต้องระวังเลยนะธรรมชาติของคนเราเนี่ยเรียงทุกคนเลยก็ได้นะมันมีสัญชาตญาณที่จะทำตามๆกันโดยที่ไม่ค่อยได้ไต่ตองเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้เป็นเฉพาะวัยรุ่นที่คึกขนองนะนะผู้ใหญ่คนท่าคนแก่ก็เป็นกันเยอะนะ นะโดยเพราะการแชร์ข้อมูลที่มันวุอหวาดราม่าเนี่ยอันนี้เคยผลที่พระเจ้าเนี่ยเตือนเอาไว้นะในการละมาสูตรเนี่ยอย่าเชื่อเพียงเพราะฟังตามๆกันมาอย่าเชื่อเพียงเพราะถือสืบสืบกันมาหรือทําตามๆกันอย่าเชื่อเพราะเสียงเล่าลือไอ้สามข้อนี้เนี่ยนะมันมเป็นจุดอ่อนของคนมากเลยถ้าเขาใครเขพูดอะไรกันเล่าลือกันหรือทําตามๆกันแล้วก็ทําตามบ้าง นะใครเขากระซิบเรื่องนั้นเรื่องนี้มาให้เราได้ฟังหลายหูเราก็เชื่อแล้วเราก็ไปเผยแพร่ อ, อีกต่อหนึ่งนะกลธรมสูตรเนี่ยโดยพระสามข้อนี้เนี่ยที่พุทเจ้าตรัสนี่สอนมาสองมานรอปีแล้วมันก็ยังใช้ได้ทุกวันนี้เลยนะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่ผู้คนเนี่ยนะทาตามแะ้วกันง่ายๆเพราะว่าข้อมูลข่าวสารมันถึงเร็วนะแล้วบางทีก็ไม่ได้แค่ ทำตามตามกันอย่างเดียวนะบางทีก็ช่วยเผยแพร่ช่วยส่งต่อกันไปไกลด้วยนะอันนี้เราต้องระวังมากเมื่อมีสตินะเนืเพราะจะแชร์อะไรเนี่ยจะส่งต่ออะไรเนี่ยไต่ตรองสักหน่อยนะว่าจริงไหมอย่างน้อยก็อ่านอ่านแล้วก็ไต่ตรองนะแล้วก็ถ้าเช็คถ้าสอบทานด้วยยิ่งดีนะอันนี้ไม่ทําให้อาการ ตกเป็นเครื่องมือของการแพร่ข่าวลือหรือตกเป็นเครื่องมือของตัวล่อเนี่ยที่หวังประโยชน์นะจากการเชื่ออะไรหรือทำตามกันเป็นยกฝูงเนี่ยมันมีน้อยลงมันก็มีคนเหล่านี้นะที่คอยที่จะหลอกคนเรานะบางทีก็เป็นพวกสิบแปดมงกุฎนะหลอกให้คนนะซื้อแชร์ลูกโซ่แล้วคนก็ทำตามตามกันหรือว่าซื้อข้าของเครื่องใช้ต่าง นะใครเขาซื้อเราก็ซื้อกันบ้างสุดล้าเราก็ตกเป็นเครื่องมือของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังมากนะโดยเฉพาะในยปัจจุบันที่คนไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีสติที่จะไต่ตองอะไร